ขอรอบน้อมต่อสัจธรรมขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียนกัาบขอโอกาสพระอาจารย์นโน้ตแล้วก็เพื่อนสาธรรมิกทุกรูปนะครับเจริญพรแม่ชีญาติธรรมผู้ปฏิบัติทุกคนนะอา้าวไม่ต้องตั้งใจฟังมากนะฟังตามสบายแล้วก็ ให้เน้นให้เรารู้สึกตัวมากกว่าฟังนะอาตมาก็อาจารย์โนกระซิบเมื่อกี้นะว่าวันนี้จะกลับแล้วก็ให้มาพูดซะหน่อยใจก็คิดอยู่นะว่าจะพูดอะไรดีนะเชื่อไหมระหว่างที่เราสวดมนต์เนี่ยมันสามารถสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยได้ว่าจะพูดอะไรนะแต่มันไม่ประติดประตอร่อมันเป็นความรู้สึกว่า จะต้องพูดแล้วเหรอจะต้องเทศเหลยจะเทศอะไรดีแล้วก็ส่วนบนไปด้วยนะแต่ว่ามันคิดไปด้วยมันก็ทําได้เนาะใช่ไหมแต่มันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องสุดท้ายก็ไม่รู้อยู่ดีนะไม่ได้คิดอะไรเวลาเรารู้สึกตัวเราก็คิดไปด้วยได้ถ้าเราทําไม่ถูกนะถ้าเราทํายังไม่ถูกมันจะเหมือนเรา ก็รู้สึกตัวอยู่นะทำไมมันก็คิดไปด้วยนะบางทีก็คิดไปด้วยว่าเรารู้สึกตัวนะแต่มันไม่รู้สึกจริงๆมันไม่รู้มันไม่รู้ซื่อๆจริงๆคำว่าการที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกรู้สึกตัวแต่ความสำคัญของมันจริงๆแล้วนะมันคือการที่รู้ซื่อๆนะอย่างที่หลวงพ่อคำเกียนท่านบอกรู้ซื่อๆคือรู้โดยที่มันรู้เฉยๆแล้วไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย ไม่มีอะไรเจือปนไม่มีอะไรดึงรั้งไม่มีอะไรคาดหวังไว้รู้ตรงที่สุดคือรู้แล้วไม่มีอะไรเลยแต่รู้เพราะฉะนั้นอาตมาก็เคยทํานะทําแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นี้ทําว่ารู้สึกตัวดีจังเลยวันนี้แล้วก็ไปหลงมาอยู่กับความรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกตัวได้ดีจังเลยก็ไม่ซื่อแล้วแต่ทันทีที่รู้แนั้นก็คือมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเวลาเรารู้ว่าเราไม่ซื่ อ, อเมื่อไหร่ล้วก็ ให้รู้แล้วพยายามกลับมาอยู่ในความรู้สึกตัวที่มันธรรมดาจริงๆเมื่อก่อนอาตมาก่อนที่จะมาบวชเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยรู้เรื่องพุทธศาสนาเลยนะไม่รู้เลยสักนิดนะเคยอยู่เคยมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งมาถามว่าเธอมาจากประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเขาสนใจพุทธ เขาเห็นว่าเป็นคนไทยเขาก็เลยเอามาโยงกันว่าคนไทยเมืองพุทธคนนี้น่าจะรู้นะเขาก็มาถามว่าพูทธศาสนาในเมืองไทยเป็นยังไงเหรอในวันนั้นอดัมาตอบเขาได้แค่ว่าก็มีตอนเช้าก็จะมีพระนะออกมาเดินขออาหารทุกวันแล้วเราก็ใส่บาตรแล้วอดัมาก็พบว่าจบแล้วความเข้าใจเกี่ยวับพุทธศาสนามีเท่านี้เองนะ นี่คือประมาณไม่กี่เดือนก่อนที่จะมาบวชรู้เท่านี้เองท่านธรรมมาก็คิดว่าหลายคนในเมืองพุทธก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะกว่านี้เท่าไหร่นะโดยเฉพาะคนรุ่นรุ่นใหม่แต่พอกลับมาแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ทําให้ธรรมาเอะใจว่าเอ้ยในพุทธศาสนามันมีอะไรเหรอทําไมทําไมคนตั้งแต่โบราณโบราณก็ ไม่เลิกสถทีอันเนี้ย <c oughs> การทำอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> การศึกษาอะไรแบบนี้ทำไมเาไม่เลิกสถทีแล้วดูเหมือนคนที่เขาค่อนข้างจะเข้าใจชีวิตจำนวนมากทำไมถึงรู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่ต้องรักษาไว้ให้ได้เป็นพันปี 2,000 ปีนอารมาก็เลยสนใจก็เลยลองมาบวชเพื่อลองศึกษาดูนะ แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรดีๆในนี้เยอะ ม, มากนะฝรั่งจำนวนมากจะอยากค้นหาตัวเองแล้วก็จะค้นหาตัวเองด้วยการเดินทางรอบโลกเดินทางออกไปข้างนอกให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็เป็นวิธีการที่แทบจะตรงกันข้ามเลยในพุทธศาสนาในฝั่ง ในฝั่งของเราเนี่ยนะการรู้จักตัวเองคือการไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยก็ได้เข้ามาเห็นตัวเองชัดๆแล้วก็อยู่กับตัวเองจริงๆสิ่งแรกที่เราจะพบก็คือว่าหลายๆอย่างที่เรานึกว่าเป็นตัวเองมันไม่ใช่ตัวเราตอนอาตมาทําใหม่ๆเนี่ย เนื่องจากเราไม่รู้อะไรมาก่อนคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนแล้วปฏิบัติเนี่ยมันจะสนุกมากนะช่วงแรกๆเนี่ยแล้วมันจะตื่นเต้นแล้วยิ่งถ้าเกิดเรายิ่งปฏิบัติโดยที่เราไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังอะไรเยอะแต่ว่ามีคนที่รู้จริงคอยพาเราทําเนี่ยให้เราไม่หลงทางเนี่ยมันมันจะมีความตื่นเต้นมีความสนุกอยู่ในการเดินทางเข้าหาตัวเองใ น, นนี้นะครั้งแรกที่เรารู้จักว่าอย่างคนใหม่ๆถ้ามาปฏิบัติเราจะรู้ว่ามันจะง่วงใช่ไหม แล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าความง่วงที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่อ้าวมันหายไปได้ทันทีต่อหน้าต่อตาอย่างเช่นเหมือนกับเห็นน้ําตกแก่งกระจาญอย่างเงี้ยเห็นน้ําตกใหญ่ๆอยู่อยู่ดีๆหลับตาลืมตาขึ้นมามันหายไปแล้วอย่างเงี้ยมันหยุดของมันเองแล้วเราอ้าวน้ําตกเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออะไรหลายๆอย่างที่เราเจอในในการปฏิบัติมันจะแทบรู้สึกอย่างนั้นนะเวลาที่เรารู้จักว่า ความคิดไม่ใช่เราโดยที่เรานึกว่าความคิดกับเราเป็นอันดึงอันเดียวกันมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยครั้งแรกที่เห็นมันชัดๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเลยนะความเข้าใจว่าเอาแล้วทั้งหมดที่ผ่านมาคืออะไรวะสลดามันนะเฮ้ยโดนหลอกว่าทั้งชีวิตเลยนี่คือความคําพูดที่มันอุทานขึ้นมาในใจนะตอนที่ตอนที่มันเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราเนี่ยแล้วถ้าต่อไปเรื่อยๆมันจะเห็นไปเรื่อยๆนะว่า อารมณ์ไม่ใช่เราแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยว่าไอสิ่งที่เรากระทบแล้วเราคิดว่ามันมาโดนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนเรานะมีเสียงมาแล้วมันทำให้เราได้ยิน เ, นเราเอา้าวมันก็เป็นเสียงแล้วมันก็เป็นการรู้ว่ามันได้ยินนะแต่มันก็ไม่ใช่เราอีกนะ มันจะมีการทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกว่าอ้าววันหนึ่งมันจะตกใจขึ้นมาว่าอ้าวจริงๆแล้วผู้ศาสนาสอนให้คนไม่เป็นคนเหรออ้าวให้เลิกเป็นอันนี้เหรอเพิ่งรู้นะนึกว่าจะเป็นค้นพบตัวเองทําไปแล้วมันจะเจอตัวเองแต่แรกแต่มาเข้าใจว่ามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะรู้จักตัวเองแล้วก็จะได้เป็นคนที่ดีขึ้นของสังคมนะเป็นคนที่ภาษาอั ง, งกฤษก็ใช้ว่า productive คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับไปมาบวชแล้วพอศึกไปก็โอ้ยทำงานเก่งขึ้นเป็นคนนิสัยดีขึ้นไม่ไม่วุ่นวายคนนั้นคนนี้อะไรไม่ได้คิดถึงนะว่าจะปฏิบัติให้มันไม่ทุกข์หรือว่าปฏิบัติให้รู้แจ้งให้เห็นสัจธรรมอะไรหรือใช่ป่ะ ม, มาบวชเพื่อจะได้กลับบ้านไปเป็นคนดีกว่าเดิมนี่คือความคิดตอนมานะไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนหรือว่าเขาจะบอกให้เราเลิกเป็นคน ให้เราเลิกเป็นตัวเองแบบนี้แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันมากกว่าว่าไอ้วิธีการฝึกนี้คือการฝึกให้คนหยุดความเป็นคนแล้วเป็นธรรมชาติเฉยๆแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเข้าใจบทสวดเหล่านี้เลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีความ มีอาการมีความเข้าใจแบบนั้นที่มันเกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยมันถึงจะกลับไปสวดมนต์พวกนี้อีกทีแล้วรู้สึกว่าอ้าวทั้งหมดนีพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเยพิ่งรู้แต่สวดมาแล้วเป็นปีสองปีอย่างนี้คือพุทธศาสนามันมันน่าตื่นเต้นในบางครั้งนะมันเหมือนกับเคยอ่านหนังสือไหมอย่างเช่นหนังสือบางเรื่องที่เขา เคยอ่านหนังสือชื่อดาวินชีโค้ดไหมเป็นหนึ่งในหนังสือไม่กี่เล่มที่ผมมาเคยอ่านนะเขาเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จริงๆในโลกสถาปัตยะกรรมจริงๆในโลกของเราเนี่ยมาเขียนแล้วเพิ่มเรื่องราวของมันให้มันกลายเป็นเหมือนนิทานแต่มีแต่มีของจริงอยู่ในนั้นแต่เอาเรื่องของของจริงพวกนี้มาแต่งใหม่ให้มันเป็นนิทานเชื่อมโยงเป็นหนงังเรื่องหนึ่งออกมาเนี่ย คนอ่านจะรู้สึกสนุกมากเพราะมันรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับความจริงแล้วมันรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้จริงตอนที่อาตมาสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยอาตมาไม่รู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่ามันคือมันคือคู่มืออะไรทักอย่างแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะพอเราแปลแล้วเนี่ยคู่มืออะไรทักอย่างที่เขาบอกให้เราทําแต่มันยังไม่มันยังไม่จับใจนะแต่พอเวลาเราปฏิบัติไปสักพักนึง่งพอมันเริ่มมันเริ่มมีความเข้าใจนะไม่ใช่เข้าใจจากการฟังนะ มันเริ่มมีการเจอมันเริ่มประสบมันเริ่มมันเริ่มรู้จักจริงๆว่าเขาพูดอะไรแล้วพอบางอย่างมันเริ่มเผยออกมาเนี่ยเราจะยิ่งรับรู้เลยว่าโอ้คำพูดนี้มันคืออันนี้เหรอมันจะรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นอะแต่มันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะจริงกว่าการอ่านหนังสือแล้วนึกว่าโอ้เขาพูดถึงที่ตรงนี้ที่มีจริงๆเหรอในหนังสือที่เขาแต่งเนี่ยแต่นี้มันไม่ใช่การแต่งหนังสือมันเป็นการอธิบายสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรานึกว่ามันเป็นในหัวของเราเองในตัวของเราเองเนี่ยแล้วพอเรายิ่งอ่านไปมันจะยิ่งรู้สึกว่าเุย้ยทั้งหมดนี้พูดเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของมนุษยชาตินะไม่ใช่เรื่องของคนนั้นนะไม่ใช่เรื่องของพระผู้เปเจ้านะเรื่องของเราเราคนเดียวเลยเวลาเราอ่านเนี่ย หลายๆครั้งมันจะมีความตื่นเต้นในนั้นะบางครั้งมันจะตื่นเต้นมากกว่าปกติถ้าตอนไหนที่เราเพิ่งรู้สึกกับอะไรใหม่ๆเนี่ยนะแต่มันก็มีความเสื่อมเหมือนกันเร <c oughs> มาพบว่าาบางอย่างที่เรารู้เนี่ยมันรู้เพราะฟังมันจะเป็นแบบหนึ่งนะมันจะไม่เหมือนกันนะเรามาเคยฟังอยู่ที่วัดหลวงตาอาจารย์สุริยาท่านก็ท่านสอนนะ สอนเยอะมากแล้วท่านก็จะบอกด้วยว่าเวลาเทศใดฟังนี่ให้ฟังเฉยๆเด้ไม่ต้องคิดตามอันไหนที่มันเข้าใจได้มันจะเข้าใจอันไหนที่มันเข้าใจไม่ได้คิดตามก็เข้าใจไม่ได้แต่ถ้าคิดตามจะนึกว่าเข้าใจได้แต่เข้าใจผิดหรือแม้เข้าใจตรงบ้างเข้าแต่ไม่ถึงใจสิ่งที่เราต้องทำคือให้ใจมันถึง ให้มันเปลี่ยนที่ใจท่านบอกว่าไม่มีทางอื่นนอกจากทําให้มันเป็นเองมันต้องเป็นเพราะฉะนั้นบางครั้งการฟังธรรมะเยอะๆมีทั้งข้อดีข้อเสียนะการฟังคนแจกแจงโดยละเอียดเยอะๆบางครั้งก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันไม่ใช่ว่าการฟังธรรมะเยอะๆอย่างเดียวแล้วจะทําให้เรามีความเข้าใจนะ เมือเราดูละครเรื่องหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราต้องการเราไม่ได้ต้องกา ร, เ, ราเข้าใจว่าละครพูดอะไรนะเราบางครั้งต้องการรับรู้ถึงอารมณ์ที่ละครนั้นต้องการจะสื่อให้เราเนอะไหมบางครั้งเราดูหนังรักเราเคยอ่านเรื่องราวมาแล้วในหนังสือพิมพ์แล้วเราก็ไปดูละครอีกครั้งนึงมันจะไม่อินนะมันจะรู้เรื่องแต่มันจะไม่ม <honor S 2> <but S 1> ันจะไม่อ <unfold> <unsuccess gras. |translate|> ินแต่สุดท้ายมันจะรู้เรื่องแต่คนที่ไม่เคยดูไม่เคยประสบมาเลยเนี่ยบางทีพอเจอประสบการณ์ตรงๆเนี่ย มันจะทะลุเข้าไปถึงใจเลยหรือเราไปเที่ยวที่ไหนที่มันสวยมากๆเราอ่านมาหมดแล้วเราดูรูปมาหมดแล้วภูกระดึงเราเคยเห็นรูปมาหมดแล้วเคยเข้าไปแอ บ, บดูใน facebook คนนั้นคนนี้ที่ไปเดินขึ้นภูกระดึงมาหมดแล้วขึ้นไปเราก็รู้สึกว่าเหมือนที่เคยเห็นเลยกัอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยดูอะไรมาก่อนเลย แต่มั่นใจในคนคนนี้ว่าเขาบอกว่าที่นี่ควรไปน่าไปไป ไ, ปไหมไปตลอดการเดินทางนั้นทุกอย่างจะเป็นของใหม่ขึ้นไปแล้วเมื่อเจอจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่มาเชื่อมโยงได้นะมันจะมีความตื่นเต้นความถึงใจในนั้นแต่ว่า มันจะไม่เหมือนการอ่านการฟังและการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่การอ่านการฟังอาัตามามีความเชื่อส่วนตัวนะว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนสอนโดยวิธีมากมายหลากหลายนะกว่านี้อีกเยอะมากวิธีที่มันไม่สามารถถูกเขียนเป็นคำพูดได้วิธีที่อาจจะเป็นแค่การมองตาแล้วแล้วรู้จัก หรือว่าทำอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ดกไม่ได้ถูกสื่อสารด้วยการพูดมันก็เลยไม่ถูกเก็บในคำพีเพราะฉะนั้นบางทีการที่เรายึดติดในตัวหนังสือมากเกินไปก็อาจจะทำให้เราไม่กว้างเท่ากับสิ่งที่มันควรจะกว้างได้นะน่าจะมามาที่นี่นะตอนอยู่ที่สมพนัทหลวงตาสุยาไม่ จริงๆเราไม่ให้อ่านหนังสือนะแล้วก็อาลมาก็แอบอ่านนะถ้าอัดไว้ที่นี่ก็อาจจะได้ลบทิ้งนิดหนึ่งนะตรงนี้เราก็ได้แอบอ่านบ้างนะแต่ก็น้อยส่วนใหญ่เราไม่ได้อ่านมาที่นี่ก็เลยได้อ่านเต็มเลยนะเพราะที่นี่มีห้องสมุดอาลมาก็นั่งอ่านหนังสือหลายๆครั้งนะแต่วิธีการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีมีหลายแบบนะบางคนอ่านเพื่อจะจําจําเพื่อจะเอาไปทําก็มีบางคนอ่านเพื่อ เพื่ออยากรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรกันแล้วก็ไม่จําเลยก็มีอาตมาอยากรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างพอมาอ่านแล้วมันถึงได้และยิ่งถ้าอ่านนอกพุทธศาสนานะอาตมาพบว่าจริงๆแล้วในโลกเนี้ยมันมีคนจํานวนมากนะที่ตื่นขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อเทียนทำเราบอกว่าทําจนกระทั่งต้องให้มันตื่นขึ้นมาให้จิตมันตื่นขึ้นมาให้มันรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนี้ตามความเป็นจริง มันมีคนจํานวนหนึ่งนะในโลกเนี้ที่รู้อันนี้โดยที่ไม่อยู่ในพุทธศาสนาอันมาพบว่ามีเยอะนะไม่ใช่น้อยแล้วมีมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่โบราณแนละ้วแล้วคนพวกนี้ยบางคนก็กลายเป็นาศาสดาก็มีกลายเป็นคนที่มาสอนคนอื่นในการในการเข้าถึงอันนี้ก็มีบางคนสอนไม่ได้นะแต่ว่าบอกมาพูดถึงสภาวะที่ตัวเองเป็นเนี่ย และโน้มนาคคนอื่นพยายามจะให้เป็นแบบนั้นด้วยการบอกให้ฟังแล้วไม่มีใครเป็นแบบเขาเลยได้ก็มีคือบางคนเป็นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงตัวเองถึงเป็นเป็นขึ้นมาเองก็มีแต่จะมาพบว่าคนจานวนมากก็คือเพราะาอ่านอ่านดูศึกษาดูแล้วมันมีอย่างพูดศาสนาเวลาเราฝึกไปเราก็จะรู้ว่ามันมีความ มันมีระดับความลึกของมันนะตอนที่เราเริ่มทําแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งนะพอเราเริ่มเข้าใจรูปเข้า <c oughs> ใจนามมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะพอเ ร, เริ่มเข้าใจสมมุติเข้าใจโอ้เขาก็สมมุติขึ้นมานะว่ามันเรียกว่าสมมุติมันเรียกว่าปรมมัติมันเรียกว่าอะไรความเข้าใจมันจะลึกลงไปเรื่อยๆอ่ะและจริงจริงมันลึกกว่านั้นไปเรื่อยๆอีกอาตมา ก, ก็ไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นนะแต่มันมีจุดสุดท้ายที่ที่อาตมารู้สึกว่าคนจํานวนมากที่เริ่มมีการสัมผัสอะไรแบบนี้ เขาเริ่มสัมผัสอะไรบางอย่างได้แต่เขาไม่รู้ว่ามันมีมันมีสิ่งที่มันลึกกว่านั้นอีกอาตมาเลยทึ่งในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าท่านทําให้เราสามารถรู้รูป ร, ร, รู้นามได้นะคือบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จํานวนหนึ่งสามารถเข้าถึงได้แต่การไม่หยุดอยู่แค่นั้นออันเนี้ยเป็นสิ่งที่อาตมารู้สึกว่ายากที่จะข้ามไปถ้าไม่มีครู คือการที่เจออะไรที่มันเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเราไม่มีตัว ต, วตวนอย่างนี้หรือแต่ว่าจะมีครูที่รู้บอกว่านั่นยังไม่ใช่นะเธอต้องข้ามมันนี้ไปอีกแล้วเธอจะถึงจะลึกลงไปเรื่อยๆคนที่รู้เองจานวนมากในโลกนี้ไม่มีคนมาบอกเขาว่านี่ยังไม่ใช่ให้ลึกกว่านี้อีกให้ถอนมันกว่านี้อีกแต่ผู้ศาสนาเนี่ยพาลึกกว่านั้นอีกนี่คือความนี่คือความพิเศษมากๆกับผู้ศาสนาสาหรับที่อาตมาเห็นนะ เพราะหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วแต่ตื่นแล้วมันไม่ต่อมันมีต่อกว่านั้นอีกแต่อัมาก็พบมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะในโลกทุกวันนี้ว่ามันมีคนจานวนมากนะที่จะหันมาสนใจเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีคนจานวนมากด้วยที่จะพาให้เราตื่นตาตื่นใจแต่ไม่ไม่สุดทางกับมัน มีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าฉันรู้แล้วฉันก็ออกไปสอ น, นผู้ศาสนาบทีเรียกคนพวกนี้คนจำนวนมากที่เป็นครูในทุกวันนี้นะว่าติดวิปัสสนาูเฉย <c oughs> นะแต่ก็จะมีหลายคนที่บางคนนะเขาไปสอนแล้วเขาก็าบอกว่าสอนไปได้เป็นสิบปีนะอัมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งอัมาก็อ่านดูเพราะคนนี้เข้าใจดีวะก็บอกโยมอาจารย์ลองกดเสิร์ชหาในเน็ตให้หน่อยว่าคนนี้ตายหรือ ย, อยัง อยากรู้ว่าทุกวันนี้เขาเป็นยังไงเขายังสอนอยู่ไหมปรากฏว่าในเน็ตบอกว่าคนนี้ตอนนี้ได้ประกาศแล้วว่าขอหยุดการสอนชั่วคราวเพราะว่าพบว่าการรู้แจ้งของตัวเองนั้นดูลึกๆแล้ววันหนึ่งเถียงกับลูกศิษย์ที่สนิทกันแล้วพบว่าอัตราตัวตนยังมีอยู่เต็มตัวไปหมดเลยเขายอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมที่จะสอนต่อถ้าอย่างนั้นเขาก็หยุดออกแสวงหาต่อ เนี่ยอาจมาว่าคนคนนี้น่าสนใจและมีหลายคนนะที่เป็นฝรั่งแล้วเขาแสวงหาแล้วเขาไปเรียนกับครูคนนั้นคนนี้ทั่วโลกนะมีอะไรเกิดขึ้นน่าสนใจเยอะมากนะแต่ความลึกนะทุกคนที่บอกว่าทุกอย่างน่าสนใจนี้ยทุกคนจะยอมบอกว่าและสิ่งที่ลึกที่สุดเท่าที่เขาเจอมาคือพุทธศาสนาคนที่รู้จริงที่สุด คนแรกคือพระพุทธเจ้าและทุกคนจะใช้สับแสงในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เขาเจอเนี่ยสับแสงเหล่านั้นเป็นสับแสงของพุทธก่อนที่มีพระพุทธเจ้าออกมาก็ไม่รู้ว่าเขามีการบัญญัติสมมุติภาษาที่จะเรียกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในใจเราว่าอย่างไงนะแต่หลายอย่างอาตมาเชื่อว่าถูกบัญญัติขึ้นมาโดยพระพุทธเจ้านะ เพราะมันไม่รู้จะพูดยังไงอะไอสิ่งที่มันเป็นอยู่ข้างในเนี่ยและหลายคนที่เขาเริ่มเข้าใจเขาก็เขาก็โน้มกลับมาหาพุทธอยู่ดีเพราะฉะนั้น <c oughs> แต่พุทธพุทธแปลว่าการบวชไหม <c oughs> อันนี้มาก็ อาตมาก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องจะบวชนานขนาดนี้นะบวชมาแล้วสามปีสี่ปีตั้งใจว่าจะบวชสามเดือนแล้วก็ชอบมีคนมาถามว่าครูบาคิดจะศึกบ้งคิดจะศึกบ้างไหมทุกคอนอาตมาก็จะตอบว่าคิดคิดมาตั้งนานแล้วอคิดมาเป็นปีสองปีแล้วเป็นความคิดนะ ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําหรือไม่ทํานะเป็นความคิดที่มันมีอยู่เพราะเรื่อยๆอาตมารู้สึกว่าตัวอาตมาเนี่ยข้างในอาตมาก็ไม่บางอย่างเหมือนรู้นะแต่อาตมารู้สึกว่าอาตมาก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนธรรมดานะบางครั้งอาตมายังอายๆเลยนะเวลาให้พรโยมแบบบางอย่างนะบางอย่างอาตมา พูดเหมือนที่พระสงฆ์ที่ท่านอาจจะทําได้นะท่านพูดแต่ว่าอาจมาทําไม่เป็นนะ <c oughs> อย่าบาอย่างบอกว่าเดี๋ยเวลาเรากดน้ําอุทิศให้คนตายหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีคนทำอาจจะมาทําไม่เป็นนะ <c oughs> แต่ตมาก็รักษาประเพณีแต่หลายๆ อ, อย่อาจะมาทําไม่เป็นอาตมาก็แค่ <c oughs> ฝึกทําวันนี้แหละรู้สึกตัวยกยก รู้ๆไปอัไมามาอยู่ที่นี่ประมาณสี่ห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็ทานไม่กันนะวัดป่าจุกโต เป็นที่ที่เหมาะมากสําหรับคนที่พร้อมจะปฏิบัติและพร้อมจะดูแลตัวเองได้เหมาะมากสําหรับคนที่อยากจะหาสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อกันต่อการเดินทางสู่ตัวเองจริงๆข้างในและพร้อมจะดูแลตัวเองพร้อมจะดูแลตัวเองเวลามันขี้เกียจเวลามันเบือ่อมันอึดอัดเวลามันหนีอารมณ์ เวลามันฟุ้งซ่านเวลามันโกรธคนนั้นคนนี้อะไรเป็นที่ที่ดีมากที่จะให้เราได้ไดใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะอันมามาที่นี่ก็เพราะว่าอาจจะมาศรัทธาและเชื่อมั่นหลงวงพ่าคำเขียนเนาะหลายคนที่มาที่นี่ก็กมาเพราะท่านนะเพราะท่านไม่อยู่แล้ว ก็ให้เรารู้ว่าท่านทำที่นี่ไว้เพื่อให้เราท่านไม่ได้อยู่แต่สิ่งที่ท่านทำแล้วบอกว่าให้มาทำอยู่ที่นี่ได้ที่นี่เป็นบ้านเนี่ยอารามาก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะจะหมดเวลาแล้วนะบางครั้งมันอาามามาอยู่ที่นี่นะ อบอุ่นมากอยากจะขอบคุณทุกคนที่ที่ทาให้กันอยู่ที่นี่มันอบอุ่นดีนะมีความสุขมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจนะจะพูดอะไรล่ะสั่งเสียเหรอเพอาจารย์โยมท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นทางโลกนะคุณต้องมีการจัดปาร์ตี้ให้ครูบาอั่นด้วยเนาะครูบาอั่นจะกลับแล้วบอกเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นไม่ได้มีอะไรนะตอนมาก็มาเงียบเงตอนไปก็ไปเงียบเงียบทุกคนก็เป็นเหมือนั้นแหละทุกคนมาจะไม่กลับกันเลยเหรอทุกคนก็กลับเดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวก็มาการไปหรือการมาไม่ได้แปลว่าการสิ้นสุดเป็นการเดินทางอีกก้าวหนึ่งที่เฉยเนาะอาดามาก็ถือโอกาสนี้เนาะขอบคุณทุกคน ท, ที่ที่ทําให้กันอยู่ที่นี่ มีความสุขอย่างมากนะเอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อการเห็นตัวเองเห็นอารมณ์เอื้อเฟื้อต่อใจที่มันจะเบิกบานแช่มชื่นนะแล้วก็อาดมาก็ไม่ได้คิดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายหรอกกลับเดี๋ยวก็คงได้มาอีกเนาะคนเรามีบ้านหลายที่ได้นะแต่บ้านจริงๆอยู่ที่เราเท่านั้นเนาะอาดมาก็อ่โอกาสสุดท้ายนี้นะก็ขอ แม้จะทำไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็อยากจะอวยพรนะขอให้ทุกคนมีกำลังที่จะอยู่กับตัวเองได้จริงๆนะขอให้มีความเชื่อมั่นว่าเส้นทางนี้มีผู้รู้ที่เดินแล้วและผู้รู้ที่หันกลับมาบอกเราว่ามาทางนี้ได้มีวิธีการไปมีคนพาทำมีเพื่อนที่ทำด้วยกันนะขอให้ทำมันด้วยความมีความสุขสนุกเบิกบานแต่เอาจริงเอาจังทุกย่างก้าวนะ ไม่เกรงไม่เพ่งไม่จ้องมีรอยยิ้มให้กันไม่โกรธเคืองกันไม่เกลียดกันมีความเป็นมิตรเหมือนที่หลวงพ่อาคามเขียนมีให้เราทุกคนเนาะขอให้มีความสุขกับกันเดินทางทุกวันนะอา้าวเชิญพร